แสดงแก่พิสูจทั้งหลายไว้ก็มีทั้งหมดห้าสูตรด้วยกันนะครับพระตูทั้งห้าสูตรนี้ได้กล่าวสแสดงเน้นความสำคัญหรืออนุภาพของเมตตาเป็นอย่างลักษณะรวมๆความสำคัญของเมตตาที่พระพุทธมีพระภาได้ทรงตรัสแสดงไว้ในห้าสูตรนี้เป็นความสำคัญอย่างย่อที่สุด ในภาษาที่พอจะพูดกันอย่างง่ายๆก็เป็นสองส่วนแต่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของวิบากคือส่วนของกรรมหรือจะพูดจริงีก็คือว่าเมตตามีพลังสองส่วนพลังส่วนหนึ่งคือพลังกรรมหาพลังกรรมนั่นก็คือเป็นพลังที่จะทําให้เกิดวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ชีวิตของบุคคลผู้แผ่เมตตาหรือทําบุญด้วยเมตตา วิบากที่เกิดขึ้นจากเมตตานั้นมีทั้งวิบากในชาตินี้วิบากในชาติต่อไปและวิบากในชาติถัดๆไปเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ไม่ชัดเจนสำหรับคนนีอย่างเรานะฮะแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าคนที่แฝงเมตตานั้นถือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งมีผลมีวิบากอย่างประหลาดที่ตรัสว่าอย่ากลัวต่อบนนี่แหละ กมหมายถึงบุญชนิดที่เรียกว่าเมตตาอีกส่วนหนึ่งเป็นพลังของความพยายามที่เราเคยพูดถึงคำนี้คู่กันมาพลังของความพยายามนั้นหมายถึงอนุภาพคือยังไงเป็นพลังทางขลั ง, งพูดอย่างหนึ่งจะพูดอย่างนี้ก็ได้เมตตาจะมีพลังสองอย่างอย่างหนึ่งพลังทางขลั ง, งสองเป็นพลังทางบุญพลังทางขลังนี่ก็หมายถึงพลังที่ปรากฏ ออกมาในโลกของสังคมหรือในโลกของความสําเร็จต่างๆที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความขังตัวพระพุทธเจ้าก็ได้ยทรงตรัสไว้โดยในยะนี้ด้วยเป็นสองส่วน <c oughs> เราก็จะมาดูกันที่สูตรแรกที่ชื่อว่าเมตตาภาวนาสูตรแปลตามชื่อสูตรก็เรื่องการแผ่เมตตาหรือแปลว่าการเจริญเมตตก็ได้ เจริญเมตตาก็อย่างเดียวกันกับแผ่เมตตาก็าผู้ที่แผ่เมตตาก็คือผู้ที่เจริญจิตให้เป็นเมตตาโดยเนื้อหาสาระของการเจริญเมตตาในสูตรนี้ได้กล่าวถึงความเป็นบุญอย่างพิเศษที่เหนือควาบุญธรรมดาอื่นๆในบางอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าบุญทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าเมตตาเท่านั้นนะครับ ท่านหมายเอาบุญบางอย่างดังที่เมื่อความในสูตรที่จะกล่าวต่อไปพระสูตรนี้ได้เกิดขึ้นจากพระอนุนได้นําเอามาเล่าในที่ประชุมสังฆาณาว่าพรสูตรนี้ก็ผกู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วพรสูตรนี้ก็ะู้มีพระภาคผู้เป็นพระอารหันต์ตรัสแล้วข้อ เ, เหตุนั้นข้าพเจ้าได้สลับมาแล้ว ว่าดูกที่สู่ทั้งหลายบุญญยิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปปิอิเลกเป็นเหตุบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นยังไม่ถึงเสื้อวที่สิบหกแต่เมตตาเจโตวิมกุกเมตตาเจโตวิมุกนั้นแหลบุคคลครอบงำครอบงำ เอตาเจตุมตะแหละครอบงำบุญญกิริยาวัตถุเหล่านั้นสว่างสวัยไพยโรดเปรียบเหมือนรัศมีแห่งดาวชนิดใดชนิดหนึ่งรัศมีดาวทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแห่งรัศมีพระจันร์รัศมีพระจันทร์ั่นแหละครอบงำรัศมีดาวเหล่านั้นสว่างสวัยไพยโรดฉะนั้น ดูก่อนภิสูุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อในอากาศโปร่งกาศจากไม่ในศาสตร์สมัยในตอนท้ายฤดูแห่งฝนพระอาทิตย์ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากำจัดอากาศอันมืดทั้งหลายสว่างสวัยไพโรดฉะนั้นอันนึงเปรียบเหมือนดาวกระกายพลิก ในปัจจุปันสมัยแห่งราตรีปัจจุปันอัจจุบันสมัยก็หมายถึงเวลาย้ำรุ่งแห่งราตรีสว่างสวัยไพโรดเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อเียเทียบเพื่อที่จะย้ําเน้นให้เห็นว่าการแผเมตตานั้นเป็นยอดของบุญยะริยาวัตถุคําว่าบุญยะกิยาวัตถุโดยมากเราก็รู้ครับว่าหมายถึงการกระทําที่เป็นบุญการกระทําที่เป็นบุญเรียกว่าบุญยะริยาวัตถุ การให้ทานนะการให้ทานก็เป็นบุญกิยาวัตถุเพราะว่าการกระทําอันนั้นเป็นทางเกิดของบุญบุญเป็นชื่อของกุศลกิจที่มีที่ตั้งคือการให้เป็นวัตถุเป็นที่การอันหนึ่งการที่เราสมาทานศีลก็เป็นบุญกิยาวัตถุเพราะว่าผู้ที่สมาทานศีลนั้นจะต้องสมาทานด้วยจิตที่เป็นบุญการสมาทานจึงเป็นบุญกิยาวัตถุ อย่างนี้เป็นต้นการแผ่เมตตาก็เป็นบุญยาวตัตถุเพราะว่าจิตที่เมื่อน้อมนึกถึงสัตเราอื่นด้วยความรู้สึกรักสาธารดีจิตที่นึกอย่างนี้ก็เป็นบุญการแผ่เมตตาจึงเป็นเป็นบุญยาววัตถุอย่างหนึ่ง น, นี่ในบรรดาบุญยาวัตถุเนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะโดยย่อที่เราพอจะคุ้นเคยกันก็คือบุญยาวตัตถุสิบบุญยาวตัตถุสิบอย่างตั้งแต่ข้อทานศีลภาวนา ไล่ไปจนกระทั่งถึงการที่เรามีสมาทิฏฐิสมาทิฏฐิคือเรื่องที่ถูกต้องและเราเอาใจเข้าไปเห็นด้วยกับเรื่องที่ถูกต้องใจที่เห็นด้วยกับเรื่องที่ถูกต้องนั้นก็เป็นสมาทิฏฐิกุศลเรื่องที่ถูกต้องจึงเป็นวัตถุของกุศลชนิดนี้จึงเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทีนี้บุเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือบุญของผู้ที่ยังมีกิเลส อีกอย่างเป็นบุญของผู้ที่ ม, มีกิเลสบางทีก็พูดกันอนง่ายๆถ้าพูดกันอย่างภาษาหลักวิชารคือว่าบุญที่ยังมีอาสะวะกับบุญที่ไม่มีอาสะวะใครที่ทําบุญชนิดที่เป็นโลกตลุตระโลกตลุตระกุศลนั้นไม่มีกิเลสเข้าไปเป็นตัวเกี่ยวข้องเกี่ยวไปเป็นบุญบริสุทธิ์กิเลสจริงๆและเป็นบุญที่ไม่ก่ออุปาทิย ใ่กองป่หมายถึงไม่ ก, ก่กอให้เกิดขันเกิดรูปเกิดนามอีกต่อไปเรียกว่าเป็นบุญที่ไม่มีกิเลสไม่มีอุปาธิไม่มีทั้งอุปตธิไม่มีทั้งกิเลสเป็นทั้งเหตุทั้งผลเก่บุญใดบุญนั้นก็ชื่อว่าเป็นบุญที่อยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือนามและลูปเป็นวิวัตวาการไม่มีกุศลในในหลักที่เรารู้กันมาก็ไม่พูดถึงบุญนั้น พระพุทธเจ้าส่งยกบุญ น, นั้นไว้เพราะว่าบุญ น, นั้นเนี่ยเราจะไปเอาบุญอื่นในระดับโลกี้ยะไปเทียบไม่ได้คือ <c oughs> นิบุญที่เป็นโลกี้ยะกุศลบุญที่ยังมีที่เดชเข้ามาเกี่ยวข้องมากหรือน้อยก็ตามบุญที่เมื่อทำแล้วยังได้นามได้รูปเป็นวิบากปรากฏจะเป็นอ่านามรูปคือตัวเราเองที่เรียกว่าอุปธิ หรือว่าเป็นนามรูปคือสิ่งที่เราได้มาเป็นวัตถุ ป, ปัจจัยต่างๆอเหล่าเนี้เป็นโลกียกุศลเอาเป็นว่าโลกียะกุศลทั้งหมดสัพพิติเจ้านี่เป็นถือเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแปลไปจากความคิดของคนที่ฟังธรรมะมากมามากว่าไหนว่าในบุญญาวัตถุเนี่ยบุญที่เป็นบุญที่สุดคือสัมมาทิฏฐิเคยได้ยินใช่ไหมครับ แล้วก็บาปที่เป็นบาปที่สุดก็คือไม่ใช่ทิฏฐิแค่ไม่ใช่ใครจะได้ยินมาอย่างนี้บ้างเกิดที่ผมทักท้วงขึ้นมาก็เพื่อให้ท่านไดเ้เอกใจได้สงสัยแล้วจะได้อธิบายให้มาดูน่าฟังขึ้นไปนิดหนึ่งทำไมพระผู้มีพร ะ, พระภาคจึงทรงตรัสในที่นี้กลายเป็นยกเมตตาเป็นยอดของบุญผมอธิบายเหตุผลของท่านแียก่อนว่าที่ท่านตรัสว่าเมตตาเป็นยอดของบุญนั้น ก็เนื่องจากว่าการที่บุคคลทําความถูกเนี่ยมันมีความถูกในในสองอย่างคือมันถูกในวัตถุสองถูกในชีวิตถูกในชีวิ ต, วตหมายความว่าเราปฏิบั ต, ติถูกในชีวิตของคนอื่นไอ้ฟังตรงนี้ไม่เอาฟังยากอยู่ดีนะแต่ถ้าเราพูดกันดีอย่างหนึ่งว่า ทำเราจะแสวงหาธรรมะอะไรที่ถือว่าเป็นแก่นของการทําดีกับบุคคลอื่นอะไรเป็นแก่นของการทําดีกับบุคคลอื่นเ อ, อเวลาเราพูดถึงวิชามนุษยสัมพันธ์เนี่ยเราเคยใช้คําว่าเราหมายถึงทผมเคยบอกว่าสิ่งที่เป็นหัวใจมนุษยสัมพันธ์น่นคือเมตตานะถ้าตัว น, นี้ไม่มีอะไรอย่างอางื่นกลายเป็นมายาหมดเลยไม่ได้เป็นมนุษยสัมพันธ์นะกลายเป็นสิ่งทําลายมนุษยสัมพันธ์ ก็นะมานสัมพันธ์กัเป็นวิชาการเข้าสังคมการอยู่ในสังคมทีนี้เรามาพูดตรงนี้กัในให้ชัดก่อนว่าในโลกในเอกภพเนี่ยมันก็มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเราควรจะถือว่าอะไรมีค่าที่สุดก็เป็นคำถามง่ายๆเลยนะ อะไรเป็นสิ่งมีค่าที่สุดโคดเพชรกับชีวิตขอทานคนหนึ่งอะไรมีค่ามากกว่ากันการหาค่าเนี่ยไม่ใช่เอาเจ้าของโคดเพชรมาพูดไอ้ของคดเพชรพูดมาว่าเราต้องพูดอย่างชนิดที่เอาใจเขาใส่ใจเราว่าถ้าเราเป็ขนขอทานคนนั้นล่ะเราจะคิดว่ายังไง เราเป็นลูกเป็นเมียเป็นญาติพี่น้องก็ขอทานก่อนนั้นเราจะคิดว่าอยานะอยังไงใหญ่ไปคิดเฉพาะอาที่เราเป็นเจ้าของเวชก็ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้กันมานานแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยคือชีวิตสําคัญที่สุ ด, สดคือชีวิตไม่ว่าจะพูดในทางโลกทางธรรมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เพรากำเนิงถึงเรื่องนี้ไม่ได้ลื้อขนสิ่งอื่นไปสู่นิพพานไม่ได้ดับทุกข์ของสิ่งอื่นแล้วก็มีถือว่าสิ่งอื่นนี่จะเป็นทุกข์ที่เป็นสาระจะถึงดับได้ เป็นความทุกของสิ่งมีชีวิตพระบุทธเจา้จาถึงเป็นผู้รู้ศาสตร์ก่นศาสตร์นะฮะทุกอาลียศาสตร์ก็ชีวิตเนี่ยทุกชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างอื่น <S <s ก็เป็นนั้นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเดียคือชีวิตทีนี้เมื่อในเอยกจะพบว่ามั น, นมีหลายๆชีวิตไม่ได้มีชีวิตเดียว <S <s มันก็คือว่าไอเราเองเนี่ยมาอยู่ก็อยู่กับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่งั้นอย่าง <S <s อื่นก็ไม่มีค่าเราเคยสมมติกันอยู่บ่อยๆว่าค่า คนในกรุงเทพเนี่ตายกันหมดเลยก่อนตายเขาเอาเพชรนินจินดามากองไว้เป็นกระตอบระสอบแล้วให้เหลือเราอยู่คนเดียวเอาลถยี่ห้อดีๆมาวางเรียงเป็นแถวใหเรานั่งวาะคันก็นหมดกันตายแล้วก็เอามากองไว้ในบ้านที่เขาเขาเรียกว่าย้ายบ้านมาไว้เป็นที่เดียวกันเป็นคระหันสวยนะฮะแล้วอะไรอะไ ร, อะไรอีกหลายอย่างได้มาจัดอยู่ในที่เดียวกันหมดดอกไม้สวยต้นไม้ดีๆอะไรเงี้ยนะ ถามว่ามันมีค่าไหมมันไม่มีค่าใช่ไหมมันก็กลายเป็นสิ่งที่หมดค่าไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะ น, นั้นชีวิตแต่และชีวิตเี่มันทํามันเป็นตัวเพิ่มค่าด้วยเพิ่มให้ไอไอวตุระพละกิทยาเป็นของมีค่าเพราะคนอื่นก็มาให้ค่าแต่เวละถ้าคนอื่นเข้ามาไม่ให้ค่ามันก็ไม่มีค่าอันนี้พูดไปก็เป็นเรื่องพื้นๆอยู่ดีนะแต่ผมก็จะพูดเพียบเพียวให้เห็นว่าสิ่งมีค่าคือที่นี ม, มาอยู่ด้วยกันเนี่ย เราจะทําชั่วกับคนอย่างรุนแรงที่สุดเนี่ยอะไรเป็นแก่นของความชั่วที่รุนแรงที่สุดที่สิ่งมีชีวิตทํากระดิ่งมีชีวิตและอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็นแก่นที่สุดที่เป็นความดีที่ชีวิตปรุกระทําต่อกันตรงนี้นะผมไม่ได้พูดถึงในคำพีพยายามพูดไว้ว่าการที่บุคคลมีความรักหรือเมตตาจิตต่อผู้อื่นเนี่ย หรือว่าเป็นยอดของคุณธรรมสุดยอดของคุณธรรมที่สิ่งมีชีวิตจะปรุงให้ซึ่งกันและกันได้และเป็นยอดเนี่ยอธิบายได้ว่างไงก็พูดกันได้เยอะแหละแต่อันหนึ่งที่เป็นสําคัญก็คือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการความปราศานาดีจากคนอื่นด้วยเห็นไ้มต้องการอยากได้บุคคลจากบุคคลอื่นก็ถามต่อไปว่า เมื่อมุณเกิดเมตตาขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรมันตามมาอะไรมันตามมาเพราะว่าเขามีความเมตตากับเราอย่างบริสุทธิ์เท่าไหร่เนี่ยมันก็มีอะไรตามมาเท่านั้นตอนนี้บอกนะอะไรตามมาตามมามาตามไปหาคนนั้นแล้วก็ตามมาหาเราด้วยนะคือทานตามมาการให้ตามมาการได้ตามมา เรามาได้พ่อแม่ดีละเราอย่างนี้เป็นตน้นวัตถุที่พ่อแม่จะพึงให้เราด้วยเมตาตาก็ํามาการพูดดีก็ตามมาอารมณ์ดีๆความรู้สึกดีๆการแสดงออกดีๆตามมาหมดเลยแล้วยังอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะในโลกทางธรรมตามมาเนี่ย ค, ความรักมันขยายหน่วยออกไปยังชีวิตมากหน่อยเท่านั้นมันก็ตามออกไปอย่างสังคมมากขึ้นเท่านั้น นี่นี่ในแง่ของคนคนถูกรักได้ตามคนถูกเรารักไปตามกําลังเมตตาที่เรามีกับคนนั้นทีนี้สิ่ง<ม>ที่ตามคนรักมาคืออะไรคือในแรรม่จำเนี่ยก็คือกุศล ก, กรรมทั้งหลายตามมาพฤติกรรมทางดีจริยธรรมตามบุคคล น, นั้นมานี้เมื่อจริยธรรมตามบุคคล น, นั้นมาเนี่ยวิบากอันน่าปราถนา ผลได้ในเรื่องของเมตตาหน้าปราถนาก็ตามบุคคลนั้นมามันไม่ได้เสียอะมาเพราะว่าไอเราไปรักคนอื่นเนี่ยถามว่าเสียอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขารองอย่างกับเพลงกันแล้วม่าเสียแรงแล้วใครอมันรักแล้วมันมีใไส้เมื่อลยเสียแล้วแต่รักด้วยเมตตามันก็ไม่เสียเลยมันได้แรงมันสบชื่นได้เพื่อนได้ผู๋งใช่ไหมมันไม่มีคำว่าอกหักมันมันก็จะเป็นอย่างนั้น มันเป็นความรั บ, บริสุทธเรารู้อยู่อ่ะตรนี้ตรงนี้ท่านบอกว่าเมื่อเกิดความรักในขัดเนี่อาละเราอาจจะให้อะไรเขาอาจจะพูดดีอะไรก็้ืก็ถึงที่เขาได้ซึ่งถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคนให้คนรับกับคนให้เนี่ยในแง่ของธรรมะเนี่ยนะคนให้ได้มากกว่าที่ที่จําไม่ได้แล้วไปคิดดูแต่ว่าเป็นจริงมไม่วาจะให้อะไร รวมทั้งให้ความรักด้วยคนรับเนี่ยได้น้อยกว่าคนให้ได้มากกว่าบุญที่เกิดขึ้นท่านเคยบอกว่าเมื่อรักแล้วเนี่ยทานก็เกิดขึ้นในบุคคลนั้นรักสองคนทานเกิดขึ้นในสองคนรักทั้งชาติรักทั้งประเทศทานเกิดขึ้นทั้งชาติทั้งประเทศและนอกจากทานแล้วเนี่ยอารักศี ตามมาด้วยไหมเช่นว่ามีเมตตาต่อคนนี้ให้ได้แต่จ้องจะฆ่ากับเพื่อถึงอนุปัตตจ้องจะเบียดเบียนทำปทุสลายเขาหรือไม่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นจะมาศีลเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่เรารักด้วยนี่เรียกว่ายินรวยกิริยาอื่นตามมาอปจนะัจญณะความประพฤติการวางเนื้อวางตัดีความประพฤตินอกน้อม นะบุคคลิกอารมณ์ละไม่ก็ตามมาบุญกิยาทั้งหลายตามมาแล้วสัมมาทิฏฐิก็ตามมาตอนเกิดความรักในไอ้ความคิดว่าจะทํำยังไงจะไปแก้ปัญหาสทิฏฐิก็ตามเลยนะถ้าลองวิจาริทิฏฐิเข้ามาขวาแล้วไม่หุดแก้มา ก, กลายเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้ <S <S ผมพูดอย่างนี้ท่านคงฟ อ, อนทักดาวออกองไงมาว่าอย่างที่เราแอบคิดในะผมขออนุญาตะ เล่าถึงความแอ บ, บคิดว่าถ้าสมมติว่าเอาคนที่ไม่รักประชาชนมาครองบ้านครองเมืองผมต้องเน้นรอให้ทําไม่รักประชาชนจ้องแต่จะรักประชาชนนี่รักเลยรูปแบบใดก็ตามที่เป็นเรื่องของอธินาทานหรือพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่มีเมตตาและอธินาทานจะตามมา ลักษณะอย่างนี้มาครองบ้านคลองเมื อ, อย่างนี่เป็นข้อแอบคิดของผมแต่ว่าถ้าคนจะมาแก้ปัญหาเรื่องไอ้ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจมันเกี่ยวกับสินค้าสองเนี่ยนะต้องเป็นคนที่มีคุนเมตตาและเป็นคนที่สินค้ออธินาทานต้องดีมันถึงจะเป็นบารมีอย่างเมื่อกี้ก่อนผมสอนผมนั่งคุยกับคนหนึ่งนะเอ่ยชื่อคุณก็ต้องรู้จัก เขาทำงานเยอะแล้วก็เวลาจะระดมทุนเนี่ยเข้าใจไว่าคนหนึ่งเนี่ยตำแหน่งก็สูงกว่าเขาแล้วก็อะไรอะไรก็ดูดีกว่ า, าบุคลิกอะไรต่างๆก็ดีกว่าแต่เวลามาระดมทุนเนี่ยถ้าคนนี้พูดเราอู้ว่าเงินไหลมาทีมาอีกคนนึงพูดเงินไม่มาม า, าน้อยอ่นี้มันก็เกิดปัญหาว่าเขาอยากจะพูด่ย อยากจะเป็นคนมีมบทบาทในตรงนี้ก็เลยพอคนนั้นพูดมันไม่ได้เงินได้ทองต้องให้คนนี้พูดคนนั้นบอกว่าตรงนี้เนี่ยบางทีมันต้องดูบุญคนเลยนะคนบางคนนะพูดไปเถอะบุญไม่มีพูดแล้วไม่มีฝหลังที่จะเรียบร้องเงินทองต่อให้ให้เป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นนอธิการบางทีก็ไม่แน่นะถึงสู้คนบางคนไม่ได้ อันนี้มันก็เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยที่อธิบายอย่างที่เห็นได้ไปเรื่องความเชื่อถือเรืออะไรนั้นก็ไปเรื่องผลที่ถอยชั้นออกมาเป็นเรื่องข้อนอกเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลยืนเมตตาไว้กับการอยู่ในสังคมได้และอ่าเมตตานั้นอยู่ในระดับสูงแผ่กว้างเท่าไหร่เนี่ยสิ่งดีๆจะตามมาทั้งกับตนเองและแก่บุคคลอื่น สารพัดเรื่องเลยคนมีเมตตาเป็นคนที่ควรอยู่กับสังคมมากที่สุดคนที่ไม่มีเมตตาควรไปอยู่คนเดียวควนไปขุดรูอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนณสมบัติที่จะอยู่ในสังคมที่จะทําอะไรที่จะช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เขาเรีไม่มีแก่นของอพุทธิกรรมในทางบท น, น ะ, ะทีนี้ท่านก็บอกว่าไอ้เมตตาเนี่ย เมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อจะไปปรับพฤติธรรมในในหลักของการจเจริญภาวนาถึงบังคับว่าใครจะปฏิบัติวิปัสสนาบาปฏิบัติกมรมฐานแบบไหนเนี่ยต้องมีเมตตาเพราะว่าไอ้เมตตาเนี่ยด้วยลาแพ้ไปแล้วมันป้องกันอุปสรรคป้องกันอันตรายแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อกระกรองต่างๆได้ไอ้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องพื้นๆนะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยตัวเมตตานั้น เป็นตัวที่จัดภาวะของความสมดุลของธรรมะในระดับสูงเกินไปนี้ท่านว่างนี้เลยเช่นว่าคนจะแผ่ก ร, รุณาได้เนี่ยต้องมีเมตาก่อนมีเมตตาเป็นแก่จะแผ่มุติตาได้จะต้องเมตตาเกิดขึ้นว่าจะไปแผ่อุเบกขาได้เป็นเรื่องประหลาดวะไอ้คนไม่มีเมตาน่าจะแผ่อุเบกขาได้มันกลับไม่ได้เพราะบบว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาหลังจาก เมตตาอย่างอื่น ต, ต่อไปสะก่อนไอ้ตรงนี้อธิบายได้แต่เราคยังไม่พูดถึงนะจริงไม่เอาลองคิดสีครับว่าคนที่จะสงสารคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้จะไม่เบียดเบียนคนอื่นได้ไอ้เมตตามันออกไปเข้าขายสีเข้าขายทานเข้าขายกุศลอย่าอื่นต้องเป็นคนที่มีเมตตาจะมุทิตาคนอื่นได้ไม่รักเขามุทิตาไม่ได้ถูกไหมล่ะ แต่ถ้ารักเขาเนี่ยมุทิตาได้ด้วยความจริงใจเลยนี่จึงเป็นฐานรองรับอื่นๆตามไปด้วยทีนี้ผมก็จะเชี่เห็นในในแง่ของปรากฏการจริงๆในการปฏิบัติของคนในแวดวงปฏิบัติไม่ว่าใครนะถ้าเราจิตขัดข้องเลยนะคือมาจึงเมตตาติดขัดปั๊บเนี่ย การปฏิบัติธรรมขัดติดขัดนี่เป็นเรื่องประหลาดอยู่อันหนึ่งนะคือจะต้องมีความรู้สึกสมดุลกับคนรอบข้างซะ ก, ก่อนแล้วก็ตัวเองถึงพ้นจากความติดขัดซึ่งหลายคนแนว่าถ้าแผ่เมตตาไม่ออกเกิดเมตตาไม่มได้ปฏิบททัติธรรมชงักทันทีเลยช ง, งักทั้งวันก็มีอย่างที่เล่าประสบการณ์จริงๆตรงนี้มาให้ฟังว่า เขาไม่เห็นเขาด่ากันในแวดวงคนธ ร, ร, มนรามะแล้วก็เป็นเป็นนักบวชเงนะตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่ว่าคนที่เขาเขามีปัญหากันเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนเรียบร้อยดีไม่มีเปล่าไม่เบี้ยงคนหนึ่งเป็นกองก้าวลาวตัวเองก็เป็นกองกลางเห็นไหมนะแต่ไหนแต่ไรมาก็ให้คะแนนเท่ากันสมยัยต้องมีความรู้สึกดีๆเพราะเห็นเขาด่ากันเนี่ย ตัวเองไปสงสารคนถูกด่าแล้วก็ไปเกลียดไปเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงกับคนดาน่าพอเดินทางไปสู่ที่ปฏิบัติที่ตัวเองก็ปฏิบัติอยู่แล้วนี่นะเองแต่ ย, ย้ายที่เนาะเสียความรู้สึกไปทั้งวันเลยจากไอ้แรงเกิดกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นจากโทสะ ก, กับบุคคลคนนั้นปฏิบัติไม้ขึ้นเลย ต้อ ง, งอกลอมจิตใจตัวเองเป็นเวลาชา้านานถึงค่อยยังชั่วขึ้นในวันรุ่งขึ้นนี่ถ้ากรณีอืน่นยังมีเยอะเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่แปลกดีว่าฟันทำให้จิตเกิดภาวะสมดุลและธรรมะอย่างอื่นเดินตามได้ไง่ายจึงขอพูดเป็นอย่างสั้นๆ ส, สุดท้ายสำหรับบทอธิบายตรงจุดนี้ว่า คนมีเมตตาทําให้เกิดความสมดุลในสังคมได้ฉันใดทําให้เกิดความสมดุลในหัวใจของตัวเองด้วยฉันสภาวะธรรมในตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาวะอันสมดุลนั่นแหละนี่คือบทอธิบายสรุปนิดนึงแต่มันมีปัญหาถามมาว่าจากคนปฏิบัติอันหนึ่งสายนึ่ง น, นี่เดี๋ยวผมทิ้งไว้แล้วยังไม่พูดตอนนี้ ปัญหาก็คือว่ามีอยู่รายหนึ่งเวลาแผ่เมตตาไปคนเนะี่ยมักจะถูกรักฉันชู้สาวปลาลูปหนึ่งถามมาอย่างนี้เลยกักลังเลเว้จะแผ่ดีไม่แผ่ดีแผ่ไปให้ใครโดนคนนั้นรักสะพุดแล้วก็เล่าๆมาที่ผมรู้จักก็มีรู้จักก็มีเนี่ยแผ่แล้วโดนรักสะพุดก็เลยไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายละใครมันแผ่แล้วมันชนเดีไปเลือด เปิดประตูรับศัตรูต่อคมอาจาันเข้าบา้านเข้าวัดเข้าหัวใจนะฮะและนี่สมมติถามให้ท่านคิดเล่นๆว่าท่านจะทําไงจะแนะนําเขาอย่างไรผมเออในวิสุที่มารคกุญญาแพรเพืตรงข้ามแพรแล้วทําให้รักอย่างเนี้ยมันคืออะไรต้องคิดอยู่นะถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะตอบท่านองค์บอกเขาไปยังไง <c oughs> ควรเลิกแสเมวทามไหมแล้วทําไมแพรนั่เป็นอย่างนี้ ผมไม่รู้ว่าแผ่อยู่ในป่านในเขาแผ่ให้สัตมีสัตว์มาปวนเปลี่ยนร่างใกลบางหรืปเปล่าแต่เมื่อวานผมเล่าไปทีแล้วอะ่ะผมก็เลยเล่าไปด้วยนะแต่ว่าเมื่อวานผมก็มาเล่าให้ฟังบนเวทีว่าแผลเมตตาให้ผู้หญิงบ้าคนหนึ่งแค่ทาท่าจะมาลักผมอะ่ะบอก้ยมันมันจะเข้าตํำราเดียวหรือเป่าพอเคยไปแล้วเผลอแป๊บเดียวจะมาจับแขนจับขาอทํา ท, ท่าจะตามผมมาทบ้านนะนะเออ กายุรุ่นเดียวซะด้วยไม่รู้รออะไรญญเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เจออย่างนี้เคยเรียกว่าอืมถ้าขืนไปแขกอีกเนี่ยก็ไม่รู้เขาจะบ้าตามเดินไปเลยว่าเธอจะหายบ้าตามผม <c oughs> เธอไม่รู้เหมือนกันผมทิงตรงนี้ไปนะคิดเดี๋ยวได้ช่องแล้วผมจะตอบว่ามันคืออะไรอันนี้ที่ท่านประเมินค่าของบุญนนี้ไว้ ด้วย เ, เหตุผลดังกล่าวมาแต่เวลาให้ตัวเลขอาตาส่วนเนี่ยท่านบอกไว้ว่าเป็นไม่ถึงเสี่ยวสิบหกข้อนี้เนี่ยผมก็มาอธิบายชัดไม่ได้ว่าทำไมจึงตรัสว่าเสี่ยวสิบหกเพราะว่าสิบหกเนี่ยทรงตรัสไว้ในที่ไหลนี่นะว่าสิบหกสิบหกเยนว่าความสุขบนสวรรค์จะดีความสุขในโลกมนุษย์ก็ดีในราชเสิ้อบาทก็ดีไม่ ถึงเซี่ยหนึ่งของสิบหกของความสุขที่บุคคลได้บรรลุเป็นพระโสดบาบันเพต้อตงตัดไปสิบหกอักแล้วและยังมีสิบหกในในที่อื่นอีกนะผมไม่ทราบแค่ว่ า, าในพระสูตรบางแห่งเนี่ยบางเอิญไปตรับทัวพันเกี่ยวกับแคว้ น, วน16กแคว้นสิบหกในสมัยพระพุทธเจ้านะกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีแคว้นที่เป็นเอกเทศปกครองตัวเองแยกจากกันมีสิบหกแคว้น ก็ส่งจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาความสุขของราชสมบัติในรีบุกแฟ่เนี่ยมารวมๆกันนะฮะแล้วก็ไม่ถึงส่วนหนึ่งของความเป็นประโรบันก็ได้นี่ก็เป็นข้อสังเกตที่เรามาได้อธิบายไว้ตัวเลยตรงนี้ยังตอบไม่ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับ ว, ว่ามันก็พอจะฟังแล้วก็พอนึกเป็นภาพออกว่าบุญอื่นเนี่ย ในฐานะของความสาคัญแล้วไม่เท่าหนึ่งในสิบหกอย่างนี้พอธงตัดในแง่ที่ว่าการแผ่เมตตานั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการที่จะทำให้บุญอย่างอื่นเกิดแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะทำความดีอย่างอื่นเนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเราเกิดเมตตาถ้าไม่เกิดเมตตาแล้วก็ไม่ถูกต้องเหมาะสมตรงนี้ ผมยังเห็นว่าเป็นการบ้านของท่านไปอีกตลอดชีวิตนะว่าตรงนี้อีกหน่อยท่านกลับมาานแล้วท่านจะเข้าใจกุฏิปตรนนี้จะขึ้นเมื่อท่านพัฒนาคุณธรรมแล้วมีประสบการณ์ไปในเรื่องต่างๆมากขึ้นในตอนท้ายอธิบายบางส่วนแบบเล่อที่บายว่า ผู้ใดมีสติเจริญเมตตาไม่มีประมาณสังโยชน์ทั้งหลายของผู้พิจารณาเห็นซึ่งธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปติย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางข้อนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลแ่เมตตาเจริญเมตตาไปได้ถึงขั้นไม่มีประมาณคือถึงขั้นหานแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะต่อไปสู่ธรรมะเบือสูง คือโลกุตลักกุศลได้อย่างไม่มีประมาณแต่ข้อนี้ผมอธิบายเติมสําหรับคนที่ชอบฟังอย่างลึกสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเมื่อคราดที่แล้วด้วยเมื่อคราดที่แล้วเราจะเห็นว่าทํำไมตามแผลนี่ตาถึงไปเกี่ยวกับมรรคแตกสงสัยนะฮะคนที่เรียนลึกทำไมถึงไปเกี่ยวกับโพชงเจตเพราะว่าคนแผลนีนตาไม่มมต้องจะเลี้ยมรรคแตกไม่ต้อจะเลือยงโพชงเจเ ต, ตก็ได้ไมีอยือคําตอบแบบโรงลึก ข้ามาตรงนี้ก็คือว่าเมตตาที่บุคคลแผ่เนะี่ยมีหลายระดับนะะระดับที่ยังไม่ได้ชานระดับได้ชานแล้วก็เมื่อบุคคลได้ชานได้เมตตาแล้วเอาชานไปเป็นบาทของวิปัสสนากรรมฐานคนที่ทำวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เมตตาเป็นบาทรนีจะเป็นเป็นคนที่เจริญวิปัสสนาหรือเป็นนักวิปัสสนาที่ไม่ก่อการกทะเลาะมีว่านนะฮะ เป็นคนที่จะเลิญเมตตาที่เข้าใจคนอื่นนะกลมกลืนกันอื่นได้อันนี้ให้สัณเจเป็นบุคลิกของนักวิปัฒนาประเภทนี้ได้ที่ที่เราเห็นเห็นไม่คิดต่างๆเนี่ยนะฮะอะแต่ว่าอีกพวกที่ไม่เจริญเมตตาเนี่ยจะเสียสมดุลตงนี้จ ะ, ะไม่ไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นนะฮะแล้วก็ไม่กลงไม่กลมกลืนกันอื่นแล้วมันก็จะกลายเป็นโตว้วงตัวเองะทวงว่าทวงเรื่อว่า เราไม่มีเมตตาตรงเลยก็ไปไปฆ่าลาลงเกลิงก็เกิดเวนเกิดกรรมมาถ่วงทำลายหลายด้านเลยกันจะเป็นข้อเสียตรงนี้สนนนนนาาินี้เมื่อบุคคลนั้นเข้าทานคันนี้ที่เรียกว่าเมตตาจาัดอวิปัสสนาและบรรลุมรรคผลมีมรรคเปอร์องแปดมีโพธิ์จงเจ็ดหรือโพธิปาราที่เจ็ดเกิดเนี่ยจะเป็นคนได้คุณสมบัติทางทานด้วยและมีเมตตาด้วยเพราะอะไเพราะว่า เขาเข้าตาในเมตตาก็จะเป็นพระอริยบุคคลที่สิ้นีิเลศด้วยแล้วก็มีเมตตาสูงด้วยก็กลายเป็นพระอริยะที่มีปมเด่นพิเศษก็คืเอเว่ามเมตตาสูงนแบบเราก็ดูเป็นภาพเทียจากบุคลิกธรรมชรตเภทนี้ว่าท่านปฏิบัติทำลึกซึ้งแล้วก็มีเมตตา บางก็ปฏิบัติทำลึกแต่ว่าท่นอาจจะทําสมาธิแบบอื่นไม่ได้ทาเมตตาไงนะเห็นทำพกกุกศิลป์หรือทำพวกอะไรก็กลายเป็นพราทางหลังหรือไปทางอื่นไปแล้วไม่มีลักษณะของความนุ่มนวลแบบราศิเมตตาเรียกว่าเป็นพระเมตตามาหานิยมที่เดินได้ถ้าคระพวกนี้ไปสร้างพระเครื่องก็จะเป็นพระเครื่องที่มีพลังทางเมตตา อย่าง ก, กรณีของหลวงพอ่อวัดตักน้ําเนี่ยก็เป็นตัวอย่างครณี้หนึ่งนะที่ท่านทาภาวนาเยอะตามแบบของท่านแล้วก็มีเมตตาสูงนะจะดูหน้าท่านแตกรูปเนี่ยก็เหมือนไม่ใช่เป็นพระลัลกษณะเมตตาหน้าจะเป็นพรบางครั้งแต่ท่านก็มีขลังด้วยนแต่เมตตาท่านออกหนะ้าเพราะว่าท่านจะช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลาใครที่เคยไปไปวัดตักน้าน ะ, นะ่บ้างไม่ทันนะ ทำไม่ทันแล้วผมก็ไม่ทันก็รู้หนังสือนัหารู้จากคนที่เขาทันก็เพจะเป็นอย่างนั้นรู้สิลู้หาท่านพระองค์ก็มีลักษณะทางเมตตาช่ยเหลือคนอย่างเช่นหลวงพ่อวัดวัดน้ำมัวันนี้นก็เป็นลูกสิท่านที่มีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็มีลักษณะทางกลางด้วยที่มันกลมกลืนกันระหว่างเมตตากับพลังบางอย่างในตัวท่าน ข้อนึงที่เป็นคาถาพุทธภาษิตเนีะเป็นบทบรรยายว่าเมตตาช่วยลวดจิตถ้าเราจะต่อไปถึงขั้นโลภตระเมตตาและที่ท่านตรัสว่าถ้าว่าผู้นั้นมีจิตไม่ประตุสลายซึ่งสัตว์มีชีวิตแม่ะนิดหนึ่งคําว่าแมจะนิดหนึ่งนี่เป็นการประกาศถึงเมตตาขั้นสมบูรณ์เพราว่าคนที่แผ่เมตตาถึงขั้นศานเนี่ย ไม่เบียดเบียนสัตว์เลยโดยไม่ยกเว้นกับเอกและไม่มีเงินไข่นะไอ้อย่างเรานันมีเงินไข่ยกเว้นกับเอกบางคนแผล เ, ม, เม่ตาเพราะเจองโงูก็เมตตาแตกเปลือกตัวโง่โดนดึงการมมเมตตาแตกแต่ว่าคนที่ เ, าเขามีเมตตาถึงขั้นชานะไม่มีเงินข มันก็ในตรงนี้ครัมันเป็นเป็นผลตอบแทนในตัวมันเองว่าเราแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นเกิดเราแค่ไหนเนี่ยเราก็ได้ผลแค่นั้นถ้าเรายังมีเงื่อนไขเนี่ยผลก็มีเงื่อนไขถูกไหมล่ะถ้าเราไม่มีเงื่อนไขผลก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วแล้วเรารู้ได้ไงเรามีอะก็อย่างทีแเราพูกว่าถ้าเราไม่ฆ่าปัวปัวกก็ฆ่าบาค่ะฆ่าเราไม่กินบ้านเราอะไรอย่างเนี้ยเราไม่กียาฆ่ามาเลย มาแรงก็กินข้าวกินเพื่อปันนิยฐานของเราหรือว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดสิแต่ขอเอ็นดูแต่คนที่ไม่ทําให้เอ็นตัวเราขาดมันก็กลายไป็นเงื่อนไขอย่างนีง้ก็มีว่ากันเพราะว่าเราทําได้แค่ไห น, นก็คือแค่นั้นอะไรจะไปแกล้งก็ไม่ได้ไอ้เรืงนี้นะครับที่ที่ผมกาลังจะบอกที่ผมตั้งปัญหาถามมาคิดออกก็อย่างนั้นสนใจจะฟังคำถามไหม ไ อ, อ้ฟังที่ตอกไอ้ถามเลยบอยกฟังมาล่ะไอพี่ว่ายดูเขาไ ว, ว้เราคือผมก็บอกท่านไปว่าอย่างนี้ว่าความประพฤติธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกันหมอกที่เป็นโลกเกียถ้าเราประพฤติธรรมอย่างรัดกลุมมันก็ควบคุมไอ้ช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดผลร้ายได้ไอ้คําว่านักกลุ่มคืออะไรนะธิ่ใบยอยนันนั้ถ้าเราทําำไม่นักกลุ่ม มันก็มีสงบถ้ารับกลมันก็ไม่มีจัาหวกเอายังนี้ดีกว่าว่าผมก็บอกท่านวังนี้ว่าเวลาที่เราให้ทานเนี่ยถามว่าคนรับทานโอ้โหมันกระตันอยู่รู้คุณแล้วทุกคนแล้วมันไม่มาทําะไให้เราเดือดร้อนใจเดือดร้อนหูร้อนตาเหมือนไม่หมดแล้ยบอกให้หมดทําไมยังไม่หมด่ะเรากระพริอ่อนน้อมพูดดีกับคนบางคนใจดีกับคนบางคน เขามาดีกับเราเหมือนกับหมดเลยนอบไหวท่านไหวตอบทุกคนไปแล้วไม่ใช่ไหมนี่บุญกิริยาอื่นๆเนี่ยเรื่องเราไปเข้าสมบัติภูมิสมาทานศีลไม่ฆ่าสัตว์ศัตรูไม่ฆ่าเราหรือคอมมิิตไม่ฆ่าเราเลยอไลยละไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรง น, นี้นะมันอยู่ที่ความรักกุมทีนี้ื่อมรัดกุเนี่ยเราดูจากตรงไห น, น ดูจาก 30, สองจุดคือหนึ่งดูจากให้ช่องโหว่ที่กิเลสมันมาแหวกให้โหวสองดูจากฐานทางวิบาสที่กิเลสเก่าที่ทำให้เกิดกรรมเกับมันมาสร้างช่องโหว่ขึ้นมันจะมีสองอย่างนี่กิเลสเนี่ยก็หมายความว่าเวลาที่เราให้ฐานเมื่อเราให้เพราะกลัวเนี่ย ตัวเป็นกเลสหรืป่าเป็นใช่ไหมละ่ะให้เอาหน้าให้เอาบุญคุณลดแล้วจะเป็นเป็นกิเลสทั้งนั้นให้เพราะตัวก็จะต่อว่าก็เป็นก็ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับว่าถึงเขาจะไม่รู้เราให้เราทําเพราะเจตนาในใจแฝงมาว่าอย่างไรเนี่ยกรรมมันก็แวกต้องให้คนมันก็ต้องรู้ถูกมล่ะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันทําให้เกิดไอ้ดีหรือร้ายขึ้น นี้ถ้าคนมีกรรมผมก็ยกตัวอย่างต้อง เ, อาเา้าเป็นว่าถาสมมตว่าตัวท่านเนี่ยอายุเก้าสิบแล้วผิวหนังก็เห ย, ย, ยียดย่แล้วไปแต่เมตายังจะมีคนมาลุมรักไห ม, มันก็ไม่มีอ่ะเป็นแคคนลุมเดียวก็หมดแรงที่จะรักแบบจังนั้นแล้วนะฮะไอ้นันก็มันก็เป็นเรื่องไอ้ไอไงเงินไงทีนี้ ไอคนบางคนที่เขามีวิบากบางอย่างเนี่ยนะเปลียนอยู่เนี่ยนะไม่ทําอะไรวิบากมันก็ให้ผลง่ายทาความช่ววิบากก็ให้ผลง่ายทำความดีบางทีวิบากมันก็เปิดช่องที่จะให้ผลเราเองเนั้นบางทีถ้ารู้ว่าเรามีวิบากอย่างนี้เนี่ยเราต้องสร้างความรัดกุมให้มากกว่าธรรมดาเวลาที่จะทําอะไรกับใครยังไงเนี่ยนะผมจึงแนะนําไปว่า การแผ่เมตตาการณีอย่างนี้ต้องแผ่แบบควบคุมคนแผ่ล่ะควบคุมคนแผ่ที่ผมคํานี้ผมใช้บ่อยๆมันเป็นคํำกว้างๆ่ะนะแต่มันมีความหมายว่าควบคุมยังไงเห็นว่าแผ่แผ่เมตตาให้กับสัตว์เนี่ยยกได้ยอย่างง่ายๆแผ่งูก็ามาอะไรก็ามาตักบอมากันเต็มกุฏิเรื่ <c oughs> องนี้มันก็มันก็ไม่ดีมันก็มาก่อกวนเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่กุ้มก็ท่าทีหาย เอแผ่เมตตาแล้วให้มันมาอยู่ใกล้ๆในระยะหนึ่งหรือแผ่เมตตาให้กับคนที่แผ่แล้วก็เกิดร่วมรกคาญเกิดเพราคนที่เราแผ่เมตตาเขาก็มีเหตุใช่ไหมล่ะมีอะไรทอะไรใช่ไหมหลายอย่างที่อธิบายเป็นอดีตกันเนี่ยเราก็ทำขุดคุ้เออแผ่เมตตาแล้วเขาขยับออกไปก้าวได้ไหมแล้วถ้าไม่แผ่เขาบอกให้ขายับก็มาขยับนะแผ่เมตตาแล้วถอยไปก้าวได้ไหมจะนั่งสมาธิอะไรสองนี้จะทํากิจนี้ จะควบคุมอย่างไหนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถ้าเป็นร้าแผลเมตตาและบางทีก็จําเป็นจะต้องมีแขวนป้ายว่าเยี่ยมได้ในเวลานี้ถึง เ, เวลานี้อะไรเงี้่นะแต่เป็นแขวนป้ายวาิย่งไปตลอ ด, ดยี่สิบปีก็โอ้โหเมตตาปา ลก้ามารบ ก, กวนเต็มปุติตลอดเวลาไม่เป็นนันทำกรรมฐาน ก, ก็ต้องพิจารณาพุกพุทธเจ้าเอง ก, ก็ต้องทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องช่องโหวที่มันเกิดตามเงื่อนไขของเร า, าจะเป็นยังไงยังไงนะขออ่านต่อไปว่าเจริญเมตตาที่เป็นกุศลเนี่ยนะแล้วก็ จะเดินเมตตาชุกหมู่เราได้บุญไปนั้นมากอันี่นก็ในแง่ค่าของบุญยี่้อ3สามเนี่ยถ้านาจะฟังหรืออ่านแล้วไม่รู้ความหมายว่าพระเจริญสีทั้งหลายย่อมทรงชนะซึ่งแผ่นดินอันเกลื่อนโกลก็ด้วยหมูสัตว์ทรงบูชาอยู่ด้วยซึ่งบุญเหล่าใดเสด็จ เ, เที่ยวไปบุญเหล่านั้นย่อมไม่ถึงแม่เที่ยวที่สิบหกแห่งเมตตาอันบุคคลจะเดินดีแล้ว ตอนนี้ท่านเรียกพระราชาที่มีฤาษีประดุ้ษมีธรรมประดุษฤาษีเรียกว่าราชฤาษีอย่างในหลวงเราเนี่จะเรียกว่าราชฤาษีได้เลยเพราะว่ามีคุณประดุษฤาษีมองดูว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นฤาษีก็ไม่รู้หรือเป็นอราชาหรือเป็นพร ะ, ราารพระภิกษุก็ไม่รู้อะไรคนๆนี้อยู่ในคนคนเดียวกัน อนี้พระราชาที่ทรงมีธรรมะบัณฑุราชรูปสีเนี่ยก็าทรงชนะศัตทั้งชนะโดยอำนาจของการปกครองแล้วก็ชนะทั้งในแง่รรของการชนะใจก็ได้ทรงใช้สังฆะสังฆะคือการทำบุญที่ไปส่งเคราะห์ประชุมชนตื่นจัดกัตติธรรม้วยทศพิธราชธรรมอย่างที่เราเคยได้ยินกันมา ทรงตรัสถึงการียกยิบของพระเจ้าแผนดินที่สงเคราะห์ อ, อนาปราชาราด้วย่างวัตถุสี่ท่านว่าข้อน้อยกว่าการแ บ, บ่เมตตาในหัต ส, ส่วนเป็นหนึ่งปฏิปภูมเหมือนกันที่นิจ่าบอกว่าพระราชาทรงมีเมตตาด้วยก็ น, นั้นก็เป็นส่วนของเมตตานะครับที่บอกได้ว่าทําให้พระราชาทรงทําอย่างนั้น ว่าถ้าเป็นคนที่เจริญเมตตาจนถึงจนถึาขันสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็สูงกว่าเมตตาของคนใ น, นระดับต่ากว่านี่ก็เป็นธรรมดาในขั้นเเทียบเทีย บ, บกันก็ mm hmm. สื่อตรัสว่าผู้ใดมีส่วนแห่งจิตประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าย่อมไม่ฆ่าเองไม่ใช่ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช่ผู้อื่นให้ชนะเวนของพวกนั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุอะไรอะไรเลยอันนี้ก็เป็นการตรัสว่า คนที่มีเมตตาเพียงอย่างเดียวเมตตาเป็นหัวหน้าของกุศลอันเกี่ยวด้วยการดำรงตนร่วมกับผู้อื่นในทุกๆอย่างบาปไม่ทำบุญก็จะทำเป็นไม่ฆ่าแต่ให้การคุ้มครองชีวิตผู้อื่นไม่ชออโกงเบียดเบียนาทรัพย์ของผู้อื่นมา แต่กลับจะคุ้มครองทรัพย์ของผู้อื่นก็ดีหรือว่าช่วยให้เขาได้แสวงหาทรับได้ก็ดีก็จะออกมาไปรักษาอย่างนั้นฉะนั้นสมตรที่หนึ่งที่เราพูดมาเ<ม>นี่ยครับผมจะสลุปบอกว่าได้บอกอะไรแกเราเป็นสาระสำคัญคำตอบก็คือได้บอกฐานะของความเป็นหัวหน้าของขุนศรธรรมในหมู่สัตว์ที่เนื่องกับ กับผู้อื่นแล้วก็สะท้อนย้อนกลับหาตัวเองนะครับมาดูสูตรที่สองต่อไปครับสูตรที่สองที่ว่าโภขาสูตรแปล ว, ว่าหยดน้ำนมหรือหย่าน้ำนมก็เป็นการตรัสเป็นการเปรียบเทียบบุญ็กริยาอื่นเฉพาะอย่าง กาแผ่เมตตาส่วนเมื่อกี้ในะพูดรวมทั้งหมดระหว่างการแผ่เมตากับโลกียาคุณอื่นทั้งหมดไม่มีเหลือตรงนี้กนำะลังจะมาเทียบ ก, การทํามหาทานการที่ทําจำนวนมากเมื่อมาเทียบกับเมตตาแล้วก็ยังตราดว่าน้อยกว่าคือน้อยกว่าอย่างไม่น่าเชื่อถ้าพวกนี้ประภาค ตราปุ่งนี้เมื่อรงประทับอยู่ที่ประเียตวันเมืองะวัตีได้ตราปุ่งนี้แก่ภิกษุทั้งหลายตรง น, นี้ก็ก็ฟังดูดีพอจะปลอบใจละที่สแสวงบุญว่าเออเราบวชนี่ก็ทำแต่บุญเอาทาแต่ทำประพฤติ ท, ทำแต่ว่าทานไม่เยได้ทำไหนนะจะมีก็ธรรมดาราบางองค์เนี่ยครับท่านก็ห่วงว่าจะไม่ได้ให้ทาน ท่านก็พยายามจะหาโอกาสให้ทานแต่สมัยก่อนก็อาจจะไม่ก็ได้มีโอกาสให้ทานการโดยมากก็คืทานไม่ได้ให้แก่คนอยสมัยก่อนนะท่านเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นการให้อย่างประเสริฐและไปรับบุญรับอะไรไปเนี่ยนิทานที่ท่านให้คือให้แก่หมูละอันหนึ่งนะกับให้เป็นเป็นเดนนะแต่ไม่ใช่เป็นคำหนักเกียดเป็นเดนแก่แก่แก่เดรัีบ้างแก่สัตว์บ้างก็อพอมี ก็เป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นแต่ว่าพระที่ท่านอยู่ในวัดนี mm. ่เขาเรียกว่าดงอรหันนะครับ mm. ให้นิดให้หน่อยเนี่ยผลตอบแทนถูกมากใช่ไหมอ้าสมมติว่าเราไปบวชอยู่ในวัดที่มีสระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบไส่ชาญได้ปิยากันเยอะๆแล้วเราได้ให้ทานในระหว่างนั้นเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเนื้อนาบุญมีอยู่เต็มวัด รับเองก็เป็นหน้นาบุญคนอื่นให้เองก็เป็นหน้นาบุญของเราเวลาที่เราไปสู่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเวลาไ ป, ไปให้อะไรกับคนในแวดวงปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะพิเศษบางทีก็อาจจะเป็นคนคนน่ากล้า ม, มาปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนยากคนจนมาปฏิบัติธรรมแล้วไมีโอกาสให้เรหลังอย่างนั้นเนี่ยนะให้เสือ่อให้อยารักษาโรค หรือให้อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อในประเทศที่เขายากจนกว่าเราอินเดียที่พมา่าเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องพิเศษหรือไปส่งขับรถไปส่งที่นั่นที่นี่เมื่อออกจากการปฏิบัติธรรมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษในความรู้สึกเราหรือถ้าว่า ได้สแสดงธรรมได้ต่อบธรรมมาราะจะผู้ปฏิบัติธรรมออกมาจะปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็รู้สึกพิเศษพิเศษว่าอะ ห, หลายอย่างเมื่อเทียบกับเมื่อม่ปฏิบัติทรรมก็คนลยอย่างที่นี้ท่านบอกถึงป ร, ริมาณไว้อย่างเป็นเรื่องที่เกิดจะทำให้ผู้ให้ทานเดียดได้เลยทีเดีัวว่าผู้ใดพึงให้ทาน ประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าผู้ใดพุงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นหมายความว่าไงเนี่ยที่ท่านกำลังจะเทียบว่าคนสองคนคนหนึ่งทําทานวันละสามมื้อมื้อละร้อยหมอ้อหม้อใหญ่ดนะ้ไม่ใช่หมอ้อเล็กๆไม่ใช่หมอ้อใสเครื่องเส้นเนี่ย ว่าตัวพุทธลูกเล ย, เลยแม่โม่ใหญ่เลยมไม่ใช่น้อยและถ้าจะเรียกว่าผู้ใดพึงเจริญมเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญมเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้ เพียงชั s, germ, n manger, n anish, Taylor, ่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นแม้โดยที่เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคเออใครเคยคุ้นเคยกับเรื่องการเลียงโคเลีนยงโขบ้างไห้ว่าไอหยดนี่คงหยดเองรอเปล่าใช่ไหมที่เมื่อนมโคเต็มปรีเนี่ย เขดเองรอล่าผมไม่รู้ช่วยอธิบายหน่อยคผมไม่ทราบที่มันโยดติงติงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ายอดน้ำ ป, ป่าโยดติง่งตงไม่รู้ยังไงใครใครเข้าใจช่บอกหนะ่เพราะไม่กรจาใช่ไหแต่อันนี้นะเวลาพูดถึงทานเนี่ยพระพุทธเจ้าจไม่ทรงประเมินด้วยเวลาอาจจะใช้เวลาร้อยโมกี่ชั่วโมงไม่ได้ประเมินนะทรงประเมินด้วยวัตถุที่ใหแต่เมตตาเนี่ยประเมินด้วย ด้วยปริมาณไม่ได้ยาวอะไรม า, าววรช่างตรงวัดอะไรจะมาละก็ต้องประเมินด้วยเวลาวัดใช้เวลาเท่าไหร่ในการแต่เมตตาก็เทียบกันอจำนวนปริมาณวัตถุทานกับเวลาการแต่เมตตาเอาเถอะเราก็รับหลับท่านไม่เคยเป็นคนแถวลาดโบรุรีหรือแถวหมกเหล็กที่เคยคุ้เคยจะการเลี้ยงโกนนมก็ในเพื่อน้าปลาและการประโยชน์ แต่ปะเดี๋ยวเดียวเนี่มันก็คือไม่กี่วินาทีานะหยดครั้งหนึ่งนะใชเระหว่างหยดที่หนึ่งกับหยดที่สองเนี่ยห่างกันด้วยเวลาเท่าไหร่นั่นถือว่าเป็นช่วงเวลาหยดน้นํานมผมไม่ได้ลงทุนเลยเลยนมหยดเดียวก็ไม่ได้ลงไหที่พูดว่าเนี่ยไม่ได้อน้ํานมนั้นไปตามบุญหรอกแล้วทาไมถึงประเมินค่าเทีบกันไม่ได้ ถึงขนาดนี้ผมถามอย่างนี้นะถามให้เรามาพิจารณากันดูการให้ทานการะสีนเนี่ยอะไรยากกว่ากันพูดกันแบบเราต้องเทียบปอนต์่อปอนต์นะภาษา mm hmm. นักกีฬาอย่าไปเทียบแบบรถห ล, ลังเราให้คนสมาทานว่า คนหนึ่งบอกไม่โกงสมาทานะไม่โกงกลับไม่แจกเงิอนอันไหนทำยากกว่ากันไอ้ไปโกงทำยากครับไปแจกนียง่ายแล้วที่ไหนมาแจกจะยัง่งเหอบอกว่าคุณสมาทาน <c oughs> สีโดยไม่กินเหล่ากับตอนเช้า ไม่ใส่บาตรนะนจะเลือกเอาทําอะไรง่ายกว่าก็ใส่บาตง่ายกว่าไม่ที่เล่ายากกว่าอย่างเงื่อไม่ให้เราลัานั่งๆั่งเนี่ยแต่บอกขอว่าอยากโกหกง่ายหรือยากยากไหม ย, ยากนะหาช่องในโกกแบบสมบูรณล้ำบูรเนี่ยยากไื่ใช่ง่ายเลยให้เราทําอย่างอื่นได้ยังง่ายกว่า ที่เป็นทานอันนี้ผมต้องบอกว่าต้องเทียบในระดับต่อระดับนะีย่าไปเทียบระดับเล็กๆแม่น้อยกับระดับใหญ่ๆกาเทียบระดับต่อระดับเนี่ยี่ียสยากกว่าทีนี้มาพูดถึงว่าเราให้ทานบุคคลอื่นด้วยเมตตาจิตบริสุทธิ์จริงๆกับให ไม่เบื่อหรือเอาให้ขอทานเนี่ยม่ายๆให้ยังบริสุทธิ์ทํายากครับเอาละเอาง่ายว่าคุณไม่ต้องมาให้อะไรฐานขอให้คุณให้ความจริงใจแกผมไม่ต้องมาให้อะไรเลยอันไหนทํายากกว่ากันอันถ้าเป็นลูกก็อาจจะเรียกร้องพ่อแม่ว่าเออแม่ให้รักให้เข้าใจให้อะไรเงี้ยะ ให้อะไรให้ธรรมะให้ความรักโดยที่อย่อาอื่นอาจจะให้น้อยหรือไม่ให้ให้ความรักในหัวใจหรือธรรมะนี่กลับเป็นสิ่งมีบุณามากกว่าต่อผู้รับต่อผู้รักเพราะฉะนั้นมันถึงขนาดว่าบางคนนี่ไม่ต้องให้อะไรเลยเป็นการตอบแทนในเชิงวัตถุแค่ให้เขาไปกราบเท้าเท่านั้นแค่ให เขาไปให้ท่านพูดสอนเป็นลักษณะกลืนด่าก็นั้นก็ได้อหรือให้ว่าให้เขาได้ได้มีโอกาสไปทาบุญด้วยกันนั้ไปรับใช้ด้วยกันนั้คนเข้าไปหาในกลับมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ได้มีเรื่องมันขึ้นไปท่านสุงมากนี่ก็เรียกว่ามีหัวใจที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยเป็นหลักเป็นประจายอยู่อย่างนี้ ยังไม่พูดถึงในแง่ของคนรับว่าค่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเคยถึงขนาดบางทีจะพูดกันว่าจะเอานู่นเอานี่ที่เป็นเจ้วัตถุเนี่ยแต่ลองสืบเข้าไปนะครับสืบในลักษณะเทียบไปตามมืไขเนี่ยนะทุกคนต้องการธรรมะต้องการความตินใจจากบุคคลอื่นมากกว่าไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรืออะไรอย่างอื่นใช่ไหมละ่ะ อันนี้ถ้าเราจะมานั่งแข้ไครกันในกรณีมันเยอะแต่ยิ่งแคะก็ยิ่งเห็นชัดเลยใ น, นที่เรารู้สึกว่าไอ้นุน่นสำคัญไอ้นี่สำคัญธรรมะไม่สำคัญหัวใจไม่สำคัญให้เราคิดกันแบบเผิอๆและไม่ชัดเจนกับหัวใจส่วนลึกของเราเรื่อ น, นี้มาพูดถึงในแง่ของผู้ให้บ้างอะไรให้ยากกว่าในลักษณะเทียบระดับต่อระดับ เราไปถามบางคนให้วันละร้อยมอเขาต้องมอยากกว่ามอ่อมังยังยากเลยใช่ไหมล่ะไอ้บางคนนะแต่ว่าถ้าเทียบระดับต่อระดับเนี่ยการให้หัวใจเนี่ยให้ยากไม่งนั้นเราถึงมีปัญหากันไงล่ะครับว่าแผ่เมตตาเนี่ยเอาไปเมตตาจริงๆแย่ยากอย่าง่ายแย่ยากครับ แค่จะให้เกิดความรู้สึกที่เป็นเมตตาในยากเลื่อนระดับขึ้นไปก็ยิ่ยากกลายเป็นของลมลมแรงแรงแต่ทำยากมากใช่ไหมลนะ่ะคนทำได้อยู่แล้วบางทีบางครั้งยังทำยากบางครั้งก็จะ ง, งักเหมือนกัน ใหานด้ิตที่เป็นหรือว่าให้ทานร้อยม่อด้วยจิตที่เป็นเมตตาด้วยเนี่ยมันทำให้ทานนั้นมีผลมีพลังเต็มไ ม, ม, ม่เต็มหน่วยท่นานตรัสต่อไปว่าการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว สามครั้งในหนึ่งวันเราก็จึงได้ข้อคิดได้แรงกระตุ้นจากตรงนี้ครับว่าเราควรหรือไม่ที่จะแผ่เมตตากันอย่างน้อยวันละสามครั้งแต่การห า, าอื่นอาจจะทําระมากลำบาอะไรกันใ น, ในะก็ก็เป็นแนวอันอันดีตามแบบนั้นแต่เมตตาวันละสามครั้งจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เอาละถ้าลดไม่สามครั้งไม่ได้ก็สองครั้งสองครั้งไม่ได้ก็วันละครั้งวัละครั้งไม่ได้ก็สามวันครั้งลดไปเรื่อยๆกลับสุดท้ายว่าเพราะเหตุดังนั้น เธอทั้งหลายปึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเจริญเมตตาเจโตวมุกกระทําให้มากกระทําให้เป็นดุจญากระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงให้สงบปราลบด้วยดีดูกรที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละอันนี้เป็นการบอกว่าใครที่ยังไม่ได้แผ่เมตตาจงแผ่เมตตาและยกระดับของเมตตา ให้สูงขึ้นให้ประณีคือในให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะเป็นของมีผลมากอย่างนี้เราทําฐานเนี่ยเราลงทุนด้วยวัตถุสิ่งของแต่ความประพฤติทธรรมเนี่ยลงทุนด้วยความพยายามไอสิ่งของเนี่ยเขาก็ลงทุนด้วยความพยายามมาในระดับยพยายามแบบหาของมาขั้นหนึ่งคนที่ประพฤติทธรรมก็พยายามที่จะทําให้ทำเกิดขึ้น อันนี้เมื่อทำเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีผลพ้นเป็นสิ่งของตามหลังมาเพราะว่าธรรมะกับปัจจัยสี่เขาเป็นเครื่องอุดนุนเป็นเครื่องอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันในฐานะเป็นเตดในฐานะที่